อยู่เพียงผูด้เดียวบกบินไปกลางไวหากว้างใหญ่เห็นเพียงหุบเขาที่มันช่างว่างเปล่าเน็บหนาวเกินไป ได้หลุดพ้นจากพันธนาการตัวนี้ที่เปลี่ยนเป็นซุ้ยน้ำอ่อน้ยนและมีความรักก็รู้เธอคือรักแท้ที่มีตัวตนให้หัวใจคน